ขอต้อนรับพี่สหายทางธรรมทุกท่านพวกเราหลายคนในที่นี้เราได้เคยมาประชุมพร้อมกันมาแล้วหลายครั้งและครั้งล่าสุดที่เราได้มาประชุมพร้อมกันก็คือเมื่อสามเดือนที่แล้ว เพื่อมาคารวะแล้วก็ปรงสรีละของหลวงพ่อคงเขียนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราในครั้งนั้นเนี่ยพวกเรามาร่วมกันทาหน้าที่ต่อสรีละของหลวงพ่อแต่คราวนี้เราได้มา ประชุมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือการมาร่วมกันทำสารต่อกิจของหุวพ่อใช้ใช้สองตัวเลยครับเรามาร่วมกันนะทำ มาสานต่อกิจของหลวงพ่อที่ท่านได้ริเริ่มเอาไว้มาเป็นเวลาหลายสิบปีธรรมยานตราเป็นงานที่หลวงพ่อได้ริเริ่มเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี2543ท่านได้ไปเห็นแบบอย่าง ที่สงขาที่นั่นเป็นมีการเดินธรรมยตรารอบทะเลสาบสงขาตั้งแต่ปี39ท่านเห็นแล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็หัวละลึกึกถึงสภาพบรรยากาศหรือธรรมชาติบนภูแลงคา และอยากจะให้มีธรรมยาราอย่างเดียวกันที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาของธรรมยาราเรื่องชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำลำาลาปะทายถึงแม้ว่าธรรมยาราที่ทะเลสาบสงขลาจะยุติไปแล้วแต่ว่าธรรมยาราลุ่มน้ำลำปะทาก็ยัง ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบห้าแล้วก็เชื่อว่าจ ะ, ะสำเร็จได้ด้วยดีด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราซึ่งได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันในคืนนี้เพื่อที่จะได้เริ่มต้นเดินในวันรุ่งขึ้น หลว อ, เ ข, อเขียนท่านเคยกล่าวว่าสี้ยกหนึ่งของท่านเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติท่านเห็นว่าการอนุรักษ์ธรรมชาตินี่เป็นเรื่องสำคัญท่านในตระหนักว่าธรรมชาตินมันมีบุญคุณใหญ่หลวงต่อมนุษย์แล้วก็ต่อตัวท่านเองด้วยทั้งในฐานะของมนุษย์ และในฐานะของนักปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ภาวนาการใช้สองไ ม, มครับต้องใช้สองไมเสกหนึ่งเสกหนึ่งของท่านนะก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งท่านก็ได้ทรมานานแล้วนะทรมาก่อนที่จะเริ่มให้มีธรรมญัตราซะอีก ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ตั้งแต่ที่วัดป่าสุกโตแล้วก็ที่นี่แล้วก็ที่วัดป่ามหาวันพูหลงอีกสีกหนึ่งของท่านก็คือการสอนกรรมฐานเพราะท่านเห็นว่ากรรมฐานนี่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนเพื่อจะได้มีสันติสุขภายใน และเพื่อบังเกิดสันติสุขในสังคมซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ที่สงบราบรื่นกับธรรมชาติก็คือนาไปสู่การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสันติธรรมยาตา ที่พวกเราจะเริ่มต้นเดินกันวันพรุ่งนี้ก็เป็นความพยายามนะที่จะผสานทั้งสองซีของวงพ่อคำเขียนเข้ามาไว้ในกิจกรรมเดียวกันก็คือในระหว่างในขณะที่เราเดินเพื่อรดนรงปลูก สำนึกของผู้คนให้ตื่นตัวในเรื่องของธรรมชาติคือสำนึกในบุญคุณของธรรมชาติแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะรักษาธรรมชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตที่กำลังคุกคามอยู่ในเวลานี้นั่นเป็นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็ เป็นการปฏิบัติธรรมให้ทุกคนเนี่ยได้เดรียนรู้และพัฒนาธรรมชาติภายในของตัวงานธรรมยรามันไม่ใช่เป็นแค่ การนรนรงเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่มันยังเป็นการพยายามที่จะฝึกฝนพัฒ น, นาจิตใจของตัวเองมันไม่มีเสียงละงาน ธรรมยตราตามันก็เป็นทั้งการรนรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลุกความตื่นรู้ในใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสานต่องานของหลวงพ่อ อสรีลักษ์ของหลวงพ่อนั้นน่ได้คืนสู่ธรรมชาติไปแล้วนะแต่ว่าภารกิจของหลวงพ่อปณิธานของหลวงพ่อเป็นสิ่งที่พวกเราสมควรที่จะสานต่อและการเดินธรรมยาตราก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะสานต่องานของหลวงพ่อทั้งหนแง่ของการ สร้างความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ท่านเป็นการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกและในเวลาเดียวกันก็เป็นการปลุกความตื่นรู้ให้เกิดขึ้นในใจของเราให้เราได้รู้จัก ธรรมชาติด้านลึกทั้งกายและใจธรรมยารานะมันเป็นงานที่จะช่วยทำให้ปณิธานของหลวงพ่อได้สืบต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์นะกับผู้คน แล้วก็กลับตัวเราเองด้วยหลายท่านที่ได้ร่วมเดินธรรมญาตรามาในปีก่อนๆ น, นะก็คงจะตระหนักดีอยู่แล้วว่าธรรมญาตรานี้นะมันเป็นเสมือนเวทนะีที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็น นักปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ใส่ใจเรื่องธรรมชาติแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวะไม่ว่าจะเป็นคนแก่หนุ่มสาวหรือเด็กธรรมยราเป็นโอกาสที่จะให้ทุกคนได้มาร่วมกันทำสิ่งที่มีคุณค่า ทั้งต่อธรรมชาติแล้วก็ต่อตัวเองด้วยไม่ว่าใครนะจะมาจากไหนจะมาทิศใดก็ถือว่าเป็นมิตรสหายเป็นเพื่อนร่วมธรรมญาติรา หลายคนอาจจะมีความวิตกกังวลมีความไม่แน่ใจนะถ้าว่าเป็นผู้มาใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยนะจะเดินไปกับคณะธรรมยาตานี้ไปจนตลอดเส้นทางหรือไมนะ่แต่ก็อยากจะบอกกับพวกเราว่า ธรรมยาตาเนี่ยเราไม่ได้เดินด้วยเท้าเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเดินด้วยใจที่จริงแล้วเนี่ยใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของการเดินธรรมยาตาแม้ว่าจะมีร่างกายเบาบางหรือว่าแก่ชราแต่ถ้าากว่ามีใจที่ใหญ่ นะมีใจที่มั่นคงแล้วนะก็เชื่อแน่ว่าสามารถที่จะเดินไปถึงจุดหมายในวันสุดท้ายได้จะว่าไปแล้วธรรมญาตานีนะ่มันเป็นการวัดขนาดของหัวใจนะไม่ได้ดูที่พละกกำลังบางคนแม้จะมีพละกกำลังเป็นหนุ่มชักกันแข็งแรงแต่ต้างว่าใจเล็ก ก็คงจะเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าคนเฒ่าคนชาราหรือว่าเด็กเล็กๆที่มีใจใหญ่เขาก็ได้พิสูจน์ไปเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าในที่สุดก็สามารถที่จะเดินไปถึงจุดหมายได้ตลอดเส้นทาง แต่ว่าใครก็ตามที่ไม่ค่อยแน่ใจว่าขนาดของหัวใจของตัวเองเนี่ยเล็กหรือใหญ่นะหรือว่าอาจจะรู้สึกตัดสินใจไปแล้วว่าเนี่ยขนาดหัวใจของตัวเองเล็กนะก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเมื่อเราเดินไปเดินไปเรื่อยๆนะขนาดของหัวใจของเราก็อาจจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลายคนที่ ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยนะจะเดินไปถึงว่าสุดท้ายหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะเดินไปถึงแล้วก็ได้พบว่าตัวเองได้สามารถที่จะทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะทำได้อันนั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเดินไปเดินไปนะขนาดของหัวใจก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ายิ่งเดินไปเรี่ยวแรงอาจจะค่อยๆลดน้อยถอยลง เพราะว่าเดินกันหลายวันกำลังวังชาก็ต้อง <c oughs> อลดน้อยถอยลงเป็นธรรมดาบางทีก็มีแผลบางทีก็ปวดเท้าแต่ว่าอันนั้นไม่สำคัญนะใจที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะมันสามารถที่จะพาเราทุกคนเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางซึ่งปีนี้เนี่ยก็คือบ้านาวัด ตากภูทองระยะทางก็ประมาณ90กว่ากิโลเมตรนะจากจุดนี้ไปถ้าเป็นระยะทางตรงนี้ก็ไม่ก็ไม่ไม่ไกลนะสิกิโลเมตรเท่านั้นแหละแต่ว่าเส้นทางเดินของเราในปีนี้ก็จะคดเคี้ยวสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รวมกันแล้วก็ประมาณเกือบร้อกิโลเมตรหลายคนอาจจะไม่เคยเดินด้วยเท้า เกินกว่า2กิโลเลยนะเพราะว่าไปไหนก็นั่งรถแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่คลั่นคล้ามนะไม่วิตกกังวลนะกับเส้นทางข้างหน้าแล้วนะก็เชื่อว่าจะไปถึงได้โดยเพราะเมื่อพวกเราเดินร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กั น, กนและกัน ก็จะสามารถนะพาตัวเองเนี่ยนะไปถึงวัดตัดภูทองได้หรือบางคนอาจจะมีเวลาไม่มากถึงแปดวันนะแต่ถ้าหากว่าเดินด้วยความใส่ใจโนะดยใจที่พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย ในสุดก็จะสามารถที่จะเดินครบตามกำหนดที่วางเอาไว้นะใจที่ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงใจที่สู้ใจที่ไม่กลัวประสักด์เท่านั้นนะแต่หมายถึงใจที่มีสตินะมีความตื่นรู้ใจที่อยู่กับปัจจุบันนะถ้าว่าเราวางใจถูกวางใจเป็นนะ มันจะเพิ่มกำลังให้กับจิตใจของเราสตินี่แหละนะจะเป็นเครื่องเสริมสร้างกำลังจิตกำลังใจของเราให้สามารถที่จะฟันเฟ่าประสักค์ไปได้และถ้าหากว่าเราเดินเราเดินโดยถือเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยระหว่างที่เราเดินเราเดินภาวนาไปด้วยจุดหมายจะอยู่ไกลแค่ไหนใจเราอยู่กับปัจจุบัน แดดจะร้อนแค่ไหนนะกายจะเหนื่อยแค่ไหนนะแต่ว่าเราก็รู้ทันอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยนำพาจิตใจของเรานะให้ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาได้ทุกปีทุกปีนะ เราก็จะย้ำเตือนอยู่เสมอนะว่าไม่ว่าแดดจะร้อนแค่ไหนมันก็ร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจเราเนี่ยสามารถจะสงบเย็นได้ไม่ว่าเส้นทางจะยาวไกลากายจะเหนื่อยล้าแต่ว่าใจ สามารถที่จะเบิกบานได้เหนื่อยแต่กายนะใจเบิกบานร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นทุกคนสามารถที่จะทำได้ทั้งนั้นถ้าวางใจถูกวางใจเป็นเด็กตัวเล็กๆนะนักเรียนอายุไม่เท่าไรนะ ล้วก็สามารถที่จะรักษาใจของตัวจนกระทั่งสามารถที่จะพบได้ว่ า, าจริงนะกายเหนื่อยใจไม่เหนื่อยนี่มันทำได้นะกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนนี่ทำได้และนี่แหละคือธรรมชาติอย่างหนึ่งนะของกายและใจ ที่ควรที่เราควรจะรู้จักเอาไว้มันคือกรรมฐานอย่างหนึ่งนะที่จะทำให้พวกเรามีกำลังในการทำภารกิจต่างๆไม่ใช่แค่ทำให้การเดินธรรมยาตาของเราลุร่วงไปได้เท่านั้นนะแต่ว่ายัางสามารถที่จะทำให้เราบาเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือแม้แต่กิจส่วนตน ให้สืบเนื่องไปได้และนี้แหละมันจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างราบรื่นเพราะว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยทำลายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาติเนี่ย อยู่ในภาวะวิกฤตก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นจากใจของเราเรามุ่งไปมุ่งสวงหาความสุขจากภายนอกและไม่ว่าจะได้ความสุขได้สิ่งปลนเปลอมา มากเพียงใดก็ไม่เคยรู้จักพอเพราะว่าความสุขที่ได้รับนั้นเนี่ยมันมีแต่ที่จะเพิ่มความอยากเพิ่มความโลภหรือว่าปนเปื้อตัณหาของเราให้มากขึ้นเป็นเพราะเราไม่รู้จักนะธรรมชาติของใจเราดีพอ เราจึงเอาเปรียบธรรมชาติอย่างไม่มีสิ้นสุดอาการเดินธรรมยาตาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้เห็นความจริงตรงนี้นะแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยทำให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องและเป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น แล่ทำให้เรามีวิถีชีวิตนะที่เป็นมิตรกับธรรมชาติรอบตัวอธิพุดนี้ที่พูดมาที่ทั้งหมดนะมันก็ยังเป็นแค่ประสบการณ์ของคนคนหนึ่งหรือว่าความคิดของคนคนหนึ่งนะแต่ว่ามันจะไม่มีความหมาย ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะค้นพบมันได้ด้วยตัวเองและธรรมญาติตานเนี่ยนะมันพวกเรานะก็เชื่อว่ามันจะสามารถทำให้เราได้ประจับสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองอ่ะ เราจะค่อยๆเรียนรู้นะเรื่องธรรมชาติของเราแล้วก็ธรรมชาติรอบตัวไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะเราจะเรียนทั้งจากประสบการณ์ของตัวเราเองขณะที่เดินแล้วก็เรียนจากเพื่อนที่ร่วมเดินกับเรา ให้เร า, าได้ทาความเข้าใจนะเกี่ยวกับธรรมยาตรานะหลายคนอาจจะมาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะบางคนก็อยากจะมาฝึกตนบางคนก็อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติสองข้างทางบางคนก็อยากจะมาพบเพื่อน สิ่งเหล่านี้นะก็รู้ แ, แต่เป็นผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นจากการเดินธรรมยาราได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่หวังว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเราก็คนะือการที่เราได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่นะกับความทุกข์ความยากลำบากได้โดยที่ใจเราไม่ทุกข์ ใจเราเป็นปกติใจเราสงบเย็นนะไม่ว่าแดดจะร้อนลมจะหนาวหรือว่าฝนจะแรงเพียงแต่ก็ตามแต่ขณะเดียวกันนะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถาาว่าพวกเราได้ร่วมกันตั้งใจเดินแล้วก็ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกัน ถึงแม้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้ตัวเองแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราต่างต่างคนต่างเดินนะโดยที่ไม่ใส่ใจกันและกันธรรมญาตาินะ์มันจะมีความหมายเนี่ยนะก็ต่อเมื่อ เราแต่และคนได้ล้อมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะเสมือนกับว่าเราลงเรือลําเดียวกันนะธรรมยาตาานี้เป็นเสมือนนาวานะนาวาที่จ ะ, ะนําพาพวกเราฟันฝ่าพายุฟันเผาประศัดต่างๆจนถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเราทุกคนลงเรือลําเดียวกัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเราก็จะไม่เพียงแต่จะเรียนรู้จากกันและกันแต่ว่าเราจะอาจจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในใจของเราคนที่เดินธรรมยาตามมาก่อนแล้วนะคงจะเข้าใจในสิ่งที่ตมาพูดนะ แต่ว่าคนที่เพิ่งมาเดินในปีนี้ก็เชื่อว่าคงจะเรียนรู้ได้ไม่ยากนะจากาประสบการณ์ของเราที่จะต่ะว่าไปก็เริ่มต้นแต่คืนนี้เลยนะคืนนี้เนี่ยเราก็จะมีนะกิจกรรมที่จะช่วยทำให้เราไดา้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ได้มีความเตรียมพร้อมสําหรับการาเดินธรรม ย, มยานในวันพรุ่งนี้ อตอนนันตอนค่ำนี้ก็เกริ่นนำนะนเชิญปฐมนิเทศนะแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีะกิจกรรมอื่นๆตามมาพวกเรากราบพระพร้อมกัน